จะได้รับฟังทำกันก็ได้พิจารณาดูเมื่อสักครูนะ่ว่าจะเอา <c oughs> หัวข้อทำอะไรที่จะ มาบรรยายให้โยมฟังหรือพระกุณเจ้าฟังกันก็เลยคิดถึงว่าความร้ายเนี่ยก็ดูว่าไม่มีอะไรที่จะร้ายไปยิ่งกว่าสัตว์มนุษย์ เวลาบทที่โหดร้ายเนี่ยก็ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าแค้นแก้แค้นหรือว่าสร้างเวรมนุษย์ ถึงใจก็มาล้างเผ่าพันธ์นะกันก็โหดร้ายน่าดูนะเพราะว่ามนุษย์ในระดับของสติปัญญานะก็จัดว่า มีสติปัญญาที่เหนือกว่าสัตว์ทั้งหมดเลย <c oughs> แต่เวลาใช้สติปัญญาเป็นใน ด้านความเหี้มโหดก็จะทำลายล้างผลาญได้มากกว่าสัตว์อื่นฉะนั้นพวกเราที่อยู่กันด้วยความไม่เที้มโหดไม่โหดร้ายไม่ ไม่ทำลายก็อาจใช้เราจะต้องมีสีนเป็นตัวกำกับด้วยเพราะว่าภูมิของสัตว์เนี่ยเขาไม่มีสีนอาหารมื้อหนึ่งกว่าเขาจะได้มาบางทีเขาต้องไปล่าอีกชีวิตนก็เพื่อความยอยู่รอด ในชีพิตแต่มนุษย์เราเนี่ยมันมีเหตุผลไม่ใช่เฉพาะเวลาหิวที่จะต้องฆ่าแม้ความอยากเวลาเกิดขึ้นก็สามารถฆ่าได้ แม้ความหลงอำนาจลาบยศก็สามารถค่าได้ดังนั้นพวกเราที่แยกจากกมรมสัตว์กับความเป็นมนุษย์ก็ตรงที่เราเป็นผู้มีศีล ที่อยู่เหนือกว่าก็เพราะความมีอัตภาพของสี่ห้าเนี่ยทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์จุดนี้สำคัญองค์สมเด็จพระพุ้มีพระภาคได้ตรัสว่าผู้ที่มีสีมีสมาธิมีปัญญานะ มีชีวิตยอยู่วันเดียวก็มากกว่าประเสริฐกว่าผู้ที่อยู่เป็นร้อยร้อยปีที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาถึงอยู่ทั้งชีวิตก็ไม่มีประโยชน์สาระแก่นสารอะไรฉะนั้นพวกเราเนี่ยความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่อย่าลืมว่าเรา ได้จากอัตภาพของสินห้าที่เรามีอยู่เราจรึงได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ฉะนั้นโยมก็ต้องก้าวให้ยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ในสินห้าเราก็ต้องเจริญสินที่ละเอียดขึ้น ก็คือศีล8ปพยายามรักษาถ้าทำไม่ได้ตลอดอย่างน้อยวันพระหนึ่งก็สมทานศีล8ถึงอยู่บ้านก็สมทานได้ถ้าถืออุโบสถศีลก็บางทีเราก็ไปอยู่ที่วัดถือคืนหนึ่งวันหนึ่ง หรือเรามาบวชในขัมมะสมามปฏิบัติธรรมที่เขาเรียกว่าบวชพรามไม่ต้องปรุงผมเรามารักษาศีลบวชใจแล้วก็นั่งทำสมาธิจเจริญจิตตะภาวนา เมื่อจิตเป็นสมาธิสงบดีก็ยกจิตขึ้นมากําหนดให้เป็นวิปัสสนาทีนี้ถามว่ากําหนดอย่างไรให้ใจของเราเนี่ยมีวิปัสสนาความหมายสั้นๆเลยเราไม่ต้องพูดในศัพท์ หลักวิชาการนะเราพูดว่าให้เรารู้สภาพความจริงให้รู้ตามความเป็นจริงที่มีอยู่ทีนี้เราจะกำหนดอะไรให้เข้าถึงสภาพความเป็นจริงแล้วเราจะพบคำว่าวิปัสสนา พอกำหนดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องกาหนดสิ่งที่มีอยู่ก็คือชีวิตของเราเองทําอย่างไรชีวิตที่นั่งเดินยืนนอนเป็นวิปัสสนากาหนดตรงไหนก่อนจึงเรียกว่าวิปัสสนารู้อะไรก่อนจึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนา จริงๆธรรมะบอกให้กำหนดรู้อยู่ที่ชีวิตถามว่าชีวิตอยู่ที่ไหนชีวิตก็อยู่ที่เรากำลังนั่งเดินยืนนอนและหายใจอยู่กำหนดที่ลมหายใจเป็นวิปัสสนาไหมเป็นเป็นได้อย่างไรโยมดูลมก่อนลมหายใจเข้า แบบสบายเข้ารู้ออกรู้ไม่บังคับให้อึดอัดไม่บังคับให้หนักให้เหนื่อยดูลมแบบมีสติระลึกรู้ตามสภาพความจริงที่มีอยู่มีลักษณะอย่างไรลมเข้าเย็นไหวอ่อน ไหลก็แล้วแต่ที่แต่ละคนกำหนดรู้ลักษณะลมเป็นได้อย่างบอกต้องดูไปอีกให้เห็นตามสภาพความจริงว่าลมเข้ารู้ออกรู้คำว่าสภาพรู้ตรงนี้ มั่นหมาย ไ, ม, ไม่ใช่คือลมเข้าทำความรู้สึกรู้สึกตัวอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะมีสติระดึกอยู่รู้ว่าลมเข้าลมออกมีลักษณะที่ไม่เที่ยงยมดูความไม่เที่ยงก่อนฉะนั้นถ้าทำวิปัสสนานไม่ติดอยู่กับความสงบ แต่มีพื้นฐานแห่งการทำสมาธิจิตมาเป็นฐานรองรับในการเจริญวิปัสสนาอย่างน้อยก็ไม่ส่งใจให้ฟุ้งซ่านก็ดูลมหลบเข้าลมออกเห็นไหมว่ามีลักษณะไม่เที่ยง เข้าออกถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะว่าเกิดดับเห็นความเกิดดับหรือบางคนเขาก็กำหนดท้องผองท้องยุบเห็นความเกิดดับเข้ารู้ออกรู้มันก็เป็นกองลมอยู่ดีพองยุบผองยุบดูลมหายใจอนาปนาญสติก็เห็นความเกิดดับกำหนดที่ปลายจมูกก็ได้ ที่ลมหายใจตรงไหนก็ได้ที่เราสามารถรู้ลักษณะของลมเห็นไหมเข้าออกไม่ต้องบังคับออกหรือเข้าใช้สภาพของรู้สาภาวะทำตามความเป็นทิศพอเห็นความเกิดดับลมเข้าลมออกลมออกลมเข้า เป็นวิปัสนาอย่างเริ่มจะเป็นเป็นที่ว่าเมื่อรู้เห็นลมเข้าลมออกเป็นความเกิดดนะับต้องถามว่าเราเข้าใจว่าไม่เที่ยงเลยอย่างเข้าใจยังว่าไม่เที่ยงถ้าเข้าใจว่าไม่เที่ยงนั่นคือวิปัสนาถ้ายังไม่เข้าใจว่าไม่เที่ยงยังไม่เป็น ก็เข้าใจรู้ลักษณะตามความเป็นจริงเห็นความเกิดดับลมเข้าออกเข้าออกเกิดดับมีลักษณะไม่เที่ยงนี่เป็นแล้วในลักษณะไม่เที่ยงที่มีความเกิดดับเข้าออกอยู่มันเราต้องกำหนดต่อเมื่อไม่เที่ยงแล้วมีลักษณะอย่างไรต่อทนอยู่ไม่ได้ ลองทนดูสิว่าชีวิตอย่างนี้เราจะอยู่สภาพอย่างนี้ตลอดไม่ลุกไม่เดินไม่ย่างไม่เหยียดไม่คู่ไม่อยู่เป็นสภาพเที่ยงไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็เห็นเออเป็นความไม่เที่ยงแม้รูปกายก็เช่นนี้ไม่เที่ยงพอเห็นไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นพิปัสนาพอเป็นพิปัสนาทั้งกองลมทั้ง รูปกายของเราอวัยวะน้อยใหญ่กำหนดลงไปก็เห็นโดยลักษณะไม่เที่ยงที่บอกผมดำเป็นขาวผมขาวหลุดร่วงไปนี้เป็นตน้นความหนุ่มแล้วมาแก่เจ็บนี่ก็ไม่เที่ยง เ, เราเห็นลักษณะพอรูว่ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมีลักษณะทุกเกิดเพราะอะไรทุก มีสิ่งบีบคัน้นอะไรคือสิ่งบีบคัน้นชีวิตเป็นสิ่งที่ทนได้ยากาถามจริงที่อยู่ทุกวันนี้พวกเราจะหลุดปากพูดอยู่เรื่อยว่าเราอดทนแล้วนะต้องอดทน เป็นลักษณะที่ทนได้ยากอะไรก็ตามที่ทนได้ยากเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรพอเริ่มทนนั่นะคือลักษณะที่พอทนได้ยากมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแสดงว่าร่างกายนี้ของเราอยู่ไปอยู่มามันมีลักษณะที่เป็นทุกข์มีลักษณะทุกข์เห็นหรือเปล่า หิวเป็นทุกข์ไหมทุกข์พออิ่มเสร็จไม่ถ่ายเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ตื่นนอนขึ้นมาพอไม่ได้นอนสักครู่แปดเกสบเว่าชั่วโมงเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์โอ้โหนี่ร่างกายนี้ก็มีสภาพทุกข์เพราะมีความแปรปรวน มีความแปรปรวนอยู่คือไม่ได้เที่ยงอยู่อย่างเนี้ยมันแปรเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืมีลักษณะที่เป็นทุกข์แปรปรวนทนได้ยากโยมมาทนยากไหมนั่งกำหนดดีดีนั่งไปนั่งมาขาเหน็บชาเป็นทุกข์ไหมเป็นนั่งไปนั่งมาก้นกบ เป็นสันหลังไทยทอยสะบักหลังท้งนั้นเลยพอกำหนดได้นั่นแหละคือวิปนะัสสนาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์มีสภาพทุกข์มีความแปรปรวนอยู่ปัญญาเกิดหรือยังอย่าง ทำไมบอกอย่างต้องผ่านอีกขั้นหนึ่งถามว่าเมื่อรู้เห็นตามสภาพธรรมที่เป็นจริงแล้วเห็นความไม่เที่ยงมีสภาพแปรปรวนทนได้ยากเป็นทุกข์แล้วนะถามว่ามีปัญญาอะไรอย่างจะมีหรือไม่ต้องถามคำนี้ว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรายังมั่นหมายยึด มั่นถือมั่นในรูปในนามในขันที่มีที่กำหนดอยู่หรือไม่พิจารณาพิจารณาดูพอกำหนดเมื่อเห็นเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกขทนอยู่ได้ยาเมื่อรู้อย่างนี้เรา จิตใจนี้ควรยึดหรือควรวางสิ่งที่กำหนดอยู่ถ้าเราวางนั่นคือปัญญาแต่ถ้ายึดมั่นหมายยังไม่เป็นปัญญายังไม่เป็นวิปัสสนาที่ถ่องแท้รู้ลักษณะตามความเป็นจริงแล้วแต่ยังไม่ รู้วิธีที่จะละที่จะวางในอุปทานในอุปทานรูปนามขันยังไม่เป็นปัญญาที่จะเรียกว่าปัญญาแห่งความดับหรือปัญญาแห่งวิมุตย์อย่างอย่างนั้นคงรู้แบบเหมือนรู้แบบเรียนมาจำได้ได้ฟังมาอย่างเงี้ยแต่ว่าจิตยังไม่ละ จิตยังไม่วางถ้ายังไม่ละไม่วางก็แสดงว่าเรายังยึดมั่นหมายยังไม่เข้าถึงในลักษณะธรรมที่ได้รู้พิจารณามาแสดงว่ายังไม่ถ่องแท้ในวิปัสสนาญาณที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดยัง ถ้าบุคคลที่เริ่มเกิดปัญญาพอรู้เสร็จนั่งกำหนดได้เห็นสภาพตามความเป็นจริงจิตก็จะเริ่มเ็าเรียกมีจิตอันวางเป็นอุเบกขามีจิตอันวางไม่ยินดีและก็ไม่ยินร้ายบางคนไม่ยินดีแต่ยินร้ายเนี่ยก็ยังยึด หรือยินร้ายนะยินร้ายแต่ไม่ยินดีก็ยังยึดต้องไม่ยินดีและไม่ยินร้ายทั้งสองจิตวางเป็นกักลางเห็นลักษณะเกิดทุกที่มีทุกที่เกิดทุกที่มีทุกที่เกิดทุกที่มีทุกที่เกิดทุกที่ดับทุกที่มีทุกที่เกิดทุกที่ดับ จึงบอกอิริยาบถสปิดบงังทุกเหมือนกันนะบางทีทําไมเราจรึงนั่งนานๆเดินกําหนดก็เพื่อให้เห็นอิริยาบถให้เห็นร่างกายให้เห็นชัดเจนว่าเออเรามีสภาพที่ทนอยู่ได้ยากต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยในทุกๆหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงต้องเปลี่ยน มันถูกบีบคั้นนะถ้าไม่เปลี่ยนมันบดขยี้ไปเรื่อยเรื่อยเรยเรยเรย่รยมีหน้าทึงบอกขันห้าเป็นของหนักเนอพาลาหาเวปัญจักขันธาบุคคลและเป็นผู้แบกถือของหนักาพาไปพระอริยเจ้าสละละทิ้งของหนักลงเสียแล้วแล้วทั้งไม่หยิบฉวย ขึ้นมาอีกท่านรู้แล้วพอรู้อย่างนี้นั่นแหละเป็นวิปัสสนามีปัญญาพอมีปัญญาจิตอันวางแล้วกำหนดอีกครั้งหนึ่งจึงเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหมดมันมีสภาพที่ไม่เที่ยงแปรปรวน คนอยู่ได้ยากสุดท้ายก็แตกดับสูญไปมันก็คือความว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนพอเข้าใจคำนี้จ ะ, ะระลึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากำหนดเป็นรูปนามาธาตุขันธ์ ชีวิตของเราสุดท้ายกำหนดเป็นรูปนามธาตุขันธ์ไม่ใช่กำหนดเป็นตัวเราของเราว่าเที่ยงถ้ายังกำหนดอย่างนี้ไม่เป็นวิปัสสนาให้ก่อปัญญาดับทุกข์ได้ฉะนั้นความสงบอย่างเดียวยังไม่หลุดพ้นเราจะต้องเจริญ กิตภาวนาให้สู่ปัญญาพอเข้าถึงกําหนดได้สุดท้ายก็มีความเสื่อมแตกดับไปพอเราย้อนมากําหนดอะไรก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสักวัฒน์ตามธรรมชาติที่มีอยู่ทาตุมัตะกนิสัตโตนิชีโวสุนโยไม่ใช่ชีวสัตว์บุคคลสักวัฒน์ตามธรรมชาติที่มีอยู่ แล้วก็เป็นของศูนย์ว่างเปล่าในที่สุดเรากําหนดเราเห็นเรารู้เลยเราอาศัยกายอยู่แต่กายนี้มีความแตกดับในที่สุดเราอาศัยลมหายใจอยู่ลมหายใจสุดท้ายก็แตกดับเราหายใจหยดน้ําที่ดื่ม อาศัยเลือดอยู่สุดท้ายก็แตกเสื่อมไปกำหนดได้ผมนั่งดออูในเมื่อตัวเราไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราจับต้องอยู่จะเที่ยงได้อย่างไรมันมีลักษณะที่กำหนดได้ชัดเจนขึ้นในเมื่อตัวของเราเอง ยังไม่เที่ยงชีวิตของเราเองยังไม่เที่ยงลมหายใจที่มีอยู่ยังไม่เที่ยงน้ําลายที่กลืนลงไปในลำคอยังไม่เที่ยงและสิ่งที่เราสัมผัสอยู่จะเที่ยงได้อย่างไรแม้บุตรและทรัพย์ก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงและจะเป็นของเราได้อย่างไร สุดท้ายมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมั่นหมายจนไม่มีปัญญามันเป็นได้เพียงชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะยมไปนั่งดูแล้วจะเห็นพอเห็นเข้าใจท่องแท้สปปรรพสิ่งทั้งหมดจิต จะรู้ภายในจิตว่าไม่ควรยึดเมื่อก่อนพวกเราบอกควรยึดจิตจะรู้ว่าไม่ควรยึดจงปล่อยวางพอรู้คำว่าปล่อยวางอิสระที่ไม่เคยมีก็มี ใจที่ไม่เคยปลอดปโปร่งนะก็ปลอดปโปร่งขึ้นและก็เห็นสภาพธรรมะอันเป็นความว่างแห่งความไม่ยึดมั่นติดอยู่และก็ย้อนไปในอดีตก็ได้ที่เราทุก ก็เพราะความมั่นหมายนี้เองที่เราโกโรธกันเกลียดกันเครียดแค้นกันโหดร้ายกันทำลายกันประชดประหารกันแย่งชิงดีชิงเด่นกันหลงยศลาภอำนาจสันเสริญสุขล้นแต่เป็นของว้างเปล่าทั้งนั้นสุดท้ายมันเป็นลักษณะเกิดตั้งดับ กำหนดจริงๆนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสนะว่าพระองค์ได้กำหนดแล้วเห็นแต่มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ดั้งอยู่และทุกข์ดับไปคือเห็นสิ่งเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปรู้ชัดตามสภาพความจริงแห่งธรรมที่มีอยู่จิต ตรงนั้นก็เลยวางหมดจากความมั่นหมายในอุปาทานธาตุขันรูปนามกายจิตและชีวิตพร้อมทั้งลมหายใจเพียงแต่เราได้อยู่อาศัยและก็ได้ใช้สิ่งนี้ไปจนกว่าหมดอายุไขหมดการแห่งเวลาทุกอย่าง เราไม่ควรผูกติดเพราะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำไมจิตของผู้มีธรรมะขั้นสูงจึงไม่พิไรรำพันไม่รำไรรำพัน ไม่โศกเศร้าให้จิตเศร้าหมองไม่เสียใจให้หมนหมองไม่โกรธแค้นเคืองใครไม่ผูกใจยึดติดอยู่กับสิ่งใดแม้สิ่งนั้นจะเป็นอมิตรสินจ้างรางวันทุกข์ท่านเหล่านี้จะไม่ก้มให้กับสิ่งนั้น แล้วก็ไม่ขายวิญญาณเพื่อแรกกับคำว่าวัตถุเพื่อแรกกับคำว่าวัตถุจิตวิญญาณจะไม่แลกกับคำว่าวัตถุไม่ก้อมให้กับใครจิตท่านปลดปล่อยแล้ว นั่งเป็นวิปาาัสนาญาณอันรู้ท่องแท้ในใจของท่านเองมีธรรมที่เห็นชัดว่างเปล่าจากความมั่นหมายึติดตรงนั่นแหละที่สุดแห่งธรรมที่กำหนดเป็นวิปัสนาเพราะเวลาปฏิบัติ เขาไม่ให้ติดกับอาการเขาไม่ให้ติดกับอาการไม่ว่าอาการจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เขาให้อยู่กับจิตที่ไม่ยึดมั่นหมายกับสิ่งที่รู้ที่สัมผัสที่เห็นที่ได้ยินที่ได้ลิ้มรส ถ, ถูกต้องและไม่ว่าธรรมารมใดที่รู้ เขาไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นเพียงแต่มีสภาพรู้ตามความเป็นจิตฉะนั้นต่อไปถ้ามีอะไรอย่างเช่นของรักจะต้องจากจากเป็นหรือจากตายใจนั้นก็มีอิสระอยู่เช่นเดิม วัตถุที่เป็นของมีค่าต้องสูญหายหรือถูกขโมยหรือถึงคราววิบัติหรือถูกยั่งชิงใจก็เป็นปกติไม่ยึดมั่นหมายเห็นสภาพมีเกิดตั้งดับแต่มาถามก่อนตอนเกิดมาท่านเอาแหวนมาไหม เอาเพชรพลอยมาไหมเอาชื่อเอายศเอาเกียรติเอาทองคำมาหรือเปล่ากำหนดก่อนอย่าเพิ่งตอบเปล่าริงมีบทกลอนไงท่านผู้รู้ท่านแต่งว่าเมื่อเจ้ามา มีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชไนเมื่อเจ้ามามือเปล่าดังเจ้ามาเจ้าก็ไปมือเปล่าดังเจ้ามาเหมือนกันไม่มีอะไร อันยศลาบหาบไปมิได้แน่ทิ้งไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลไม่มีอะไรเลยก็เหลือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลมันไม่มีไม่มีอะไรเกิดมาไม่มีอะไรไปก็ไม่ได้หาหาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าดังเจ้ามา เมื่อเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าก็ไปมือเปล่าดังเจ้ามาจบอย่างนี้ยศลาบหาไปไม่ได้แน่ก็เหลือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้พวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟแลวอะไร ติดตัวเราไปอะไรที่จะหาหามไปได้ไม่มีในเมื่อไม่มีอะไรมาและก็ไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้ในทรัพสมบัติใหญ่ต้องเศร้าหมองต้องเสียใจใหญ่ต้องผิดหวังใหญ่ต้องตรมตรอมไม่จำเป็นโยมเกิดมาเอาใครมาบ้าง เอาสามีมาไหมปรามาโตยี่สิบสามสิบเพิ่งมามีแล้วบอกว่าเมื่อจะจากกันฉันจะอยู่ไม่ได้ไม่จริงถ้าอยู่ไม่ได้โตมาได้อย่างไรถูกหรือเปล่าเป็นง่อยแล้วเลยทำอะไรไม่ได้ั้งได้สามีมาเนี่ยนะ สติปัญญาหมดเลยอะไรจะป่านนั้นค่าของคนความเป็นคนสตีปัญญาของตัวตนไปไหนหมดเอามาใช้เอามาใช้ถึงเวลาตื่นสนุกออกชีวิตมาลำบากบ้างมาอดทนบ้างมาเข้มแข็งบ้างนั่นแหละคือรสชาติแห่งชีวิตจริงๆ ไม่ใช่รสเปรี้ยวรสหวานันนมันรสแต่ออาหารแต่รสชาติชีวิตเนี่ยมันต้องเติมหยดเหงื่อไปบ้างหยดน้ำตาไปน้อยอเริ่มอร่อยเห็นไหมบีบคันมานาหัวใจไปนิดเนี่เห็นไหมกัดฟันบ้างก็ธรรมดานี่แหละคือรสชาติชีวิต ไม่ใช่แต่รสอาหารที่พวกเราลิ้มรสกันอยู่หลายคนไม่เข้าใจอยากให้ชีวิตเป็นเหมือนที่ตัวเองอยากให้เป็นไม่ได้หรอกไม่ได้ถ้าเป็นอย่างที่เราจะให้เป็นเลือกได้ไม่ต้องเกิดแต่เมยม มาเกิดตายทำไมอ่ะมาเกิดแล้วมาแก่ทำไมถ้าจะให้เป็นเหมือนที่ตัวเองคิดใช่ไหมโอ้ใครเลือกเกิดก็วิปริตเต็มทีแล้วมานั่งหนักนั่งเบาอยู่ทุกวันเนี่ยนะโอ้แย่มากๆ ก, กินแล้วมานั่งถ่ายโง่จริงอ ะ, อะไรวันดีก็กินก็นไป สุดท้ายมันก็ไม่อยู่และงโงไ่ไปละนำมานังเหนื่อยสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ถามจริงมันเป็นปัญญาแล้วหรือปัญญาชนที่พูดกันทุกวันนี้พระพุทธเจ้าแลเห็นสิ่งนี้ว่า ถ้าจิตของเรายังไม่รู้จักละว่างภูมิภพชาติที่เรากําเนิดเกิดมาที่ใช้กันอยู่ที่มีที่หามที่หามกันอยู่เนี่ยนะเราจะไม่พ้นจากทุกไปได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องแสวงหาความพ้นทุกสัตว์ทั้งหลายพากันยึดมั่นอยู่ในสมมุติบัญญัติ ติดแน่นอยู่ในสมมติบัญญตัติเพราะไม่กำลัดรู้สมมติบัญญตัติให้ทราบชัดตามความเป็นจริงนี่เองจริงต้องพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในห้วงมหันต์นบไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่ยุติ มันฟังแล้วมันยาวจังไม่รู้จะหยุดหยุดตรงไหนในเมื่อหัวใจของเรามันเกาะเกี่ยวไปหมดอะไรผ่านมาก็ว่าของเราอะไรที่จากไปก็ว่าของเราจากอีกอะไรกันนะ ก, กันหนาอยู่อะไรที่ไม่ได้มาก็บอกว่าไอ้นั่นต้องเป็นของเราให้ได้ คิดในคำเนี่ยก่อนที่จะไม่เป็นของเราก็พยายามแสวงหาว่าวันหนึ่งก็เป็นของเราให้ได้พอเป็นของเราเสร็จก็มั่นหมายนี่คือของเราพอสิ่งนี่จะจากไปก็บอกของเราจากไปอีกถามจริงเป็นชีพิทที่สมบูรณ์แล้วหรือโดยปัญญา เป็นความบริสุทธิ์จริงหรือในความคิดอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่เลยแสดงว่าพวกเราจิตเป็นยางเหนียวสัมผัสอะไรเหมือนคนไม่มีภูมิป้องกัน ติดเชื่อไปหมดอยู่ใครอะไรก็ติดไปหมดไม่มีภูมิเลยถ้าเราจเจริญวิปัสสนาจริงๆกำหนดได้จริงๆแล้วที่บอกว่ารู้ตื่นแจ้งเบิกบาน กิจเขาไม่หวั่นไหวนะโหยมชีวิตมนุษย์สั้นอยู่แล้วเป็นชีวิตที่สั้นไม่ได้ยาวมากมายทำไมเราเราไม่รู้จักปล่อยวางบ้างในเมื่อทุกอย่างเราไม่ได้เอาไปแล้วทำไมใจต้องเสียใจกับสิ่งที่ต้องจาก ยาต้องหนักใจลำบากใจกับสิ่งที่มันมีสภาพที่ที่ไม่คงอยู่กับที่เราต้องยอมรับมันบ้างคนที่มั่นหมายชีวิตมากจริงๆทุกวันนี้บอกเลยเป็นบ้าไปแล้วเกือบทั้งนั้นโอ้คนบ้านเนี่ยอย่า น, นึกนะว่าเขา ไม่มั่นหมายนะโอ้เขามั่นหมายเยอะมากเยอะจนเขาควบคุมไม่ได้จิตมันมันไม่ยอมรับอะไรแล้วคิดแต่สิ่งนั้นแล้วก็สุดท้ายมันตึงจนไม่ไหวแล้วจึงเสียสติไป เคยได้ยินไหมเวลาคนบ้ากอดขยะคนบ้ากอดตุกตาลูกกูลูกข้าอย่าเอาไปนะลูกของข้าใครอย่แย่งเวนนะลูกของข้ากินนมถ้าลูกนอนถ้าลูกแม่จะกอดลูกบ้าอีกคนหนึ่ง กวาดไปกวาดม า, วาดกว่าขยะเงินทั้งนั้นหละของกูของกูอย่าแย่งไปนะของกูของกูองกเอาเถียมนังสารเขาก็มีชีวิตติดีๆอย่างเราในตอนแร ก, แ, รกแต่พอเขาใช้ชีวิตไปชีวิตไปแต่มาบอกมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดไง มันกลับตาละปัดแล้วก็จิตของเราเองยังไม่ยอมรับสิ่งนั้นแล้วก็บางอย่างก็รับไม่ได้เมื่อไม่ยอมรับกลับรับไม่ได้เนี่ยผลที่จะออกมาก็คือหัวใจสลายระวังคำนี้นะหัวใจสลาย มันต้องผ่านความเจ็บปวดมากและก็ความเจ็บปวดนี้ดูเหมือนมันจะไม่เบาบางจนที่สุดจิตปว่วยอย่านึกนะว่าร่างกายป่วยอย่างเดียวจิตนี่ปว่วยงั้นมันจะมีทาไมโรคโกรธหลงร่างกายมันไม่ได้มีโลคโกรธหลง ถามจริงเส้นผมมันโลภโกรดลงเป็นไหมผิวหนังโลภโกรดลงเป็นไหมไม่เป็นฟันมันโลภโกรดลงไหมไม่ลำไส้มันโลภโกรดลงไหมเปล่าอะไรที่มันโลภโกรดลงใจของโยมจิตใจของพวกเราร่างกายมันโกรดไม่เป็นแขนไม่เป็น อย่าบอกว่าร่างกายฉันแขนนะถ้าแขนนะมหาธรมะเอาน้ําไปสักถังหนึ่งนะกอกเลยไม่เกินครึ่งถังนายโยมออกหมดยยหายแขนหรือยังหายแต่คำเข้านะไม่เกินครึ่งครึ่งถังหายแต่ถ้าแขนใจรับไม่ได้ บางคนบอกรับไม่ได้เสียงที่ฟังฟังไม่ได้อุดหูไม่ไหวแล้วจิตมันแตกอารมณ์มันฟุ้งซ่าร่างกายมันไม่เคยคิดค่าตัวตายแต่จิตใจมันเคยคิดระวังนะระวัง จิตพอป่วยเข้ามันเริ่มจากความซึมเศร้าก็มีความซึมเศร้าความหงอยเหงาความเศร้าสร้อยความหดขู่ความเครืยดเครืออะไรเนี่ยมันเริ่มเริ่มจะเบลอลอยก่อนหรือมันคล้ายๆกลุ้มคลั่งเป็นระยะระยะแล้วแต่อาการของจิตว่าจะโดนเรื่องอะไรมา แ, แต่บางคนคิดคาดตัวตายบางคนขังตัวเองอยู่คนเดียวจากคนที่เคยร่าเริงเบิกบานสดชื่นกลายเป็นคนเหี่ยวเฉาภายในสามสี่ห้าเดือนเปลี่ยนเป็นคนแก่ทันทีเลยอายุ20กว่าสาสกว่าดูเหมือนคนแก่ คนเหล่านี้เขาเรียกว่าติดพพชาติมากเกินเหตุติดชีวิตตัวตนมากเกินไปโทษที่ได้รับก็คือความทุกข์บีบคั้นใจจนป่วยไม่มียารักษาตรรมไม่เคยเห็นว่าไปซื้อยาใจรักษาไม่มี มีโย ม, ม B ไปซื้อเขาคิดว่าย ม, ม B ไปแซลกันนะบอกซื้อยาใจหน่อยเขาบอกแก้อะไรกลุ้มใจเขาจะมองหน้ายมไปได้แล้วก่อนที่ฉันจะโกรธขึ้นมาเวลามันเหี่ยวแห้งขึ้นมาเนี่ยมันหมดชีวิตชีวานะเหมือนต้นไม้ไม่ได้น้า ม, มองหน้าแล้วก็ รู้เลยว่านี้เหี่ยวมางคนมาตาใสหน้ายิ้มแย้มสดชื่นชีวิตนี้มีความหวังให้คนนี้โ ย, ยมเดินมาแล้วทั้งมีความหวังทั้งรู้สึกเฉยเฉยทั้งรู้สึกหมดกำลังใจบางทีไม่อยากจะอยู่เบื่อเงี้ย ถ้าให้มันจบไปทะโยมเกิดมาครั้งหนึ่งอย่าให้จิตป่วยเราจะต้องอย่าให้อะไรมาบีบคั้นอารมณ์จิตของเราเราต้องรู้จักว่างอาตมาบอกอะไรหายต้องรักษาใจอย่าให้ใจหายอะไรเสียต้องรักษาใจอย่าให้ใจเสีย รักษาได้ถ้ายมรักษาใจไม่ได้โลกแบบนี้สิ่งที่มีค่ามันก็คือสิ่งที่ไร้ค่าเมื่อใจมันไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะใจเมื่อขาดความสุขอย่างเดียวยศลาภอำนาจสรรเสริญมันไม่มีความหมายไม่มีนะถ้าสิ่งนี้มีความหมายพระพุทธเจ้าไม่ออกบวชหรอก เพราะยศลาบสรรเสริญมีพร้อมแล้วมีพร้อมหมดแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราพบความสุขจริงจิตจริงวางยิ่งวางเท่าไรก็ยิ่งเห็นจิต ที่ได้รับอิสระมากขึ้นเท่านั้นเห็นความเป็นอิสระมากเท่าไรก็เห็นความพ้นทุกมากเท่านั้นเห็นความพ้นทุกมากเท่าไรปัญญาที่ไม่เกิดก็เห็นตลอดสายเรียกนะเรียกว่าเป็นปฏิเวทเป็นธรรมที่สามารถแทงตลอดรู้ตลอดสายตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงตายและขนาดมีชีวิตอยู่ อย่างนี้เ ร, เรียกว่าเป็นชีวิตวิปัสสนาไม่ใช่แต่ได้ความสงบอย่างเดียวไม่ใช่พอยิ่งเข้าใจเข้าใจเข้าใจตอนหลังนะพอเริ่มรู้ขึ้นจดจุดมพวกเรามองโลกนี้ไม่เหมือนเดิมนะอย่างเช่น ยมเห็นคนที่เขากําลังกโรกรธกําลังกโกรธอยู่พอเรายืนดูเรารู้สึกได้เลยว่าจิตอย่างนี้เราได้ละแล้วพอเห็นคนที่มีความโลภมากๆจนเกิดภัยจนทําอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อสุจริตเรารู้สึก ว่าจิตอย่างนี้มันมีแต่โทษมีแต่เวรมีแต่ภัยเราได้ละจิตนี้เสียจแล้วมันจะเห็นเป็นธรรมะทุกเรื่องนะเราไม่ใช่เอาวัตถุเป็นใหญ่เป็นเครื่องวัดแต่เรากําลังเอามโนธรรมคุณธรรมศิลธธรรมและเอาธรรมอันเป็นเหตุแห่งความดับทุกข์เป็นเครื่องวัด สำคัญนะสำคัญพอยิ่งเข้าใจแล้วนะจะนั่งเดินยืนนอนเรารู้หมดเรารู้หมดแต่มาเคยเจอโยมที่มาหามาแบบบนคำเดียวว่าหมดตัวแล้วขาดทุนขาดทุนก็สอบสวนถามว่า แล้วก่อนนั้นโยมทำอะไรบอกก็ทำการค้าตอนหลังตอนนี้หมดตัวแล้วก็เหลือเพียงรถอยู่คันเดียวปิกอัพอ ม, มีลูกเมียมาด้วยแล้วก่อนนั้นทำอะไรอีกก่อนค้าขายก็บอกเป็นผู้บริหารเงินเดือนเดือนหนึ่งก็หลายหมื่น กับแสนพอเก็บได้ทุนมาก็เอาไปลงทุนมาต่างจังหวัดทำไปทำมาธุรกิจไปไม่รอดกิจการไปไม่ได้หมดแล้วตอนนี้ขาดทุนชีวิตนี้จะทำยังไงต่อตมาก็บอกโยมโยมระลึกใหม่ ที่ยบอกขาดทุนเนี่ยตอนโยมเกิดมาโยมเอาเงินมาเท่าไหร่โยมตอบต่อมาก่อนเหตุผลโยมตรรมารู้แต่ตอบก่อนตอนเกิดมามีเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เอามาและถึงบัดนี้โยมไม่มีเงินสักบาทโยมก็ยังไม่ขาดทุนโยมก็มองหน้าธรรมาผู้จริง จนบัดนี้โยมไม่มีเงินสักบาทก็ยังไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนกีตมาถามว่าโยมเกิดมาเอาเงินมาเท่าไรกี่บาทไม่ได้เอามาแม้ในตัวโยมไม่มีเงินสักบาทยังไม่ขาดทุนอย่างน้อยก็เสมอตัวแต่ถ้ายมทำชั่วในในขาดทุนโยมสร้างบาปสร้างเวรภัยนั่นแหละ ขาดทุนเพราะมันจะเข้าไปกินลึกลงไปในภูมิภพทุนที่เรามีของเดิมด้วยมันจะเป็นตัวขวางกั้นวาสนาโยมยังไม่ขาดทุนมีรถอยู่คันหนึ่งนะให้ลืมชีวิตเดิมได้ไหมเคยกินอย่างไรลืม เคยนั่งเคยนั่งเคยนอนแบบไหนที่นอนแบบไหนลืมมันเสียแล้วจงยอมรับชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ถามจริงเกิดมามีรถมาไหมไม่มีอยากมีเงินไหมขายรถเสียมองหน้าต่มา ผมขายรถแล้วผมจะใช้รถตรงไหนผมจะไปยังไงเอา้าแสงว่าคนไม่มีรถในชีวิตนี้ก็ไปไหนไม่ได้สิโยมเมื่อก่อนไม่เคยมีเราเคยอยู่ได้พอมีมันสะดวกสบายเพียงแต่ตอนนี้เท่า น, นั้นเองเอารถไปขายก่อนไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งและถ้ามี ค่อยซื้อค่อยผ่อนทีหลังได้ปากท้องสำคัญต้องมีกินก่อนเอาไปขายอย่าใช้ได้ตายไปโยมก็ไม่เอาไปหรอกเชื่อตารมาโยมพอมีชีวิตมีความรู้มีอาชีพอะไรบ้างในทุนตรงเนี้ยในเมื่ออายุมากแล้วไปเปลี่ยนลูกจ้างเขาก็ไม่ได้แล้วจะห้าสิบแล้ว เมื่อเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้อายุขนาดนี้ก็ต้องทําการค้าเล็ก ๆ, ๆน้อยๆส่วนตัวก็ถามว่าขายขุเดเถียวปิดไหมหรือทําอะไรที่พอคักขายเล็กๆน้อยได้ไหมเอาตอนนี้ก่อนและทําใจให้สบายลืมชีวิตที่เคยนั่งเคยอยู่อย่าไปเทียบตอนนั้นตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้และ ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนั้นมันเป็นตอนตอนชีวิตลุ่มรุมดอนดอ น, นั่นแหละเนี่ยคือชีวิตจริงเลี้ยงลูกให้โตทําหน้าที่สา ม, มีให้ดีแล้วก็เลี้ยงปากท้องให้ได้ถ้าโยมทําตรงนี้ได้สมบูรณ์ชีวิตโยมก็สําเร็จรวยไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ พาครอบครัวให้รอดให้ลูกมีการศึกษาไปคิดดูว่าพอจะค้าขายอะไรได้ที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้ อ, อื่นก็ไปพิจารณาอาจมาคงแนะนำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าโ ย, ยมไม่ขาดทุนถ้าได้ทำชั่วสร้างบาปอากุศลยืนยันว่าโ ย, ยมขาดทุน ไปเถอะขาทั้งสองยังมีกำลังอยู่กดชีวิตจำไว้ล้มแล้วต้องรู้จักลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ต้องรู้จักเดินและต้องมีความอดทนในการเดินแล้วก็ใช้ชีวิตไปมันมีแค่นี้ ฉะนั้นบางครั้งอยากเข้าใจคาว่าความร่ำรวยคือความสำเร็จชีวิตบางครั้งความร่ำรวยทำให้เราต้องลำบากทั้งชีวิตจนไม่มีเวลาแม้แต่กินให้ตรงเวลานอนให้ตรงเวลาและไม่มีเวลาที่จะว่างเลยที่เราจะใช้ชีวิตในการผ่อนคลายบางทีพอหลงเงินตรามากๆ ลาบสักการะมันจะฆ่าเรานะมันจะใช้เราจนเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นทาตมันนะแต่ถ้ามีสติหน่อยหนึ่งเราลึกได้กนะํกำหนดใจเราโอ้โหมันเต็มไปด้วยความอยากอัดแน่นอยู่ในหัวใจนะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่า เราไม่รวยเหมือนคนนั้นคนนี้แล้วชีวิตของเราจะหาความสุขไม่ได้เข้าใจผิดแล้วสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจบิชช่หรือถ้ามัวถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส่ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุข หรือทุกนาลองกาหนดพิจนารณาดูบางอย่างความสุขมันไม่ใช่ต้องต้องเป็นเงินเสมอไปความสบายที่มันอยู่กับความวุ่นวายใช่ว่าจะเป็นความสุขเสมอไปนะเราต้องคิดนิดนงะรุ่นพ่อรุ่นแม่พวกเราอยู่อย่างไรมา เราจะอยู่กันอย่างไงให้มีความสุขครอบครัวของเราหนึ่งไม่เบียดเบียนกันนี่คือเหตุของความสุขก่อนโลโกโปัตธรรมบิการเมตตาเมตาเมตาธรรมคำจุดโลกอาบิญญัปจจังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกนี่คือมันเป็นหลักแ ท, แท้ที่เราลืมไปหมดพวกเราพยายาม คิดแต่ว่าเป็นวัตถุแล้วเราจะมีความสุขธรรมาก็นั่งดูเศรษฐีแย่ๆไปนั่งโกรธอยู่ทุกวันด่าได้ทุกวันใจยังตกนรกอยู่ทุกวันตรรมาบอกให้มีสักพันล้านหมื่นล้านอีกกี่หมื่นล้านชีวิตนี้ก็หาสุขแท้ไม่เจอ มันมีแต่หวงมีแต่เรื่องมีแต่ผลประโยชน์มีแต่ระว่ามันระแวงกันตลอดระวังกันไม่ไหวสุดท้ายบอกเชื่อใจใครไม่ได้ <c oughs> ยมลองดูคำว่าเชื่อใจใครไม่ได้ในชีวิตมันไม่น่าอยู่แล้วนะยมเข้าบ้านหลังนี้โอ้โหบ้านใหญ่โตแต่ยมบอก เราหวังนะเชื่อใครไม่ได้เลยคนในบ้านนี่เผลอไม่ได้อันตรายรอบด้านไม่ไหวนะสู้อยู่ใต้โคนไม้มีใจเป็นอิสระรู้จิตของตนดีกว่ า, านะก็สมควรเวลาในการฟังทำกัน ก็ขอให้รักษาจิตกันให้ดีสุดท้ายสุขหรือทุกข์เราต้องกำหนดให้ให้รู้ความจริงไม่ใช่วัตถุจะทำให้สุขได้ทุกเรื่องเงินทองจะทำให้สุขได้ทุกอย่างจริงๆคันลองชีวิตที่ใช้ถูกวิธีต่างหากจิงชื่อว่าเป็นความสุขอย่างแท้จริงขอจงได้รับความสุขทุกท่กทานทุกคนเถิน